Uthan <laughs> sar. ก็ฟังฟังธรรม ก, ก็ยิ่งเราปฏิบัติธรรมไปมากเท่าไหร่เราก็เจอคุณธรรมมากเท่านั้นถ้าเราพูดถึง สมบัติภายนอกก็คือเพชรเนนจินดาเข้าของเงินทองเป็นสิ่งที่มีค่ามากดั็เอาไว้เพื่อ <c oughs> เพื่อดำลงไว้ในชีวิตของเรา แต่ถ้าเราพูดถึงสิ่งที่มีค่ากว่าเพชรนินจินดาเก้าของเงินทองทั้งหลายก็คือความเมตตาความมีน้ำใจการอบอ้อมอารี และการรู้จักเป็นผู้ให้สังคมก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราเองก็ไม่มีความสุขกัน โยมสังเกตดูว่าบางทีที่บอกว่าปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งแต่ว่าปากปราศัยแต่ว่าใจก็ยังเชิดเฉือนกันอยู่มันก็ไม่ใช่ เต่ว่าเราทำแบบหนึ่งเพื่อให้คนอื่นเขาตายใจแต่ว่าข้างในเนี่ยเรามีความประสงค์อีกแบบหนึ่งจึงบอกเออมนุษย์หมดความซื่อสัตย์ในที่สุดก็หมดความน่าเชื่อถือ มันก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนดังนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือทำอย่างไรให้เรานั้นใส่ซื่อมือสะอาดถือกตันอยู่แล้วก็มีความบริสุทธิ์ เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่คือหลักหลักทั่วๆไปนะของการภาวนาก็คือใจจริงๆธรรมาเคยบอกว่ามารกับพระเนี่ยมันก็คือห่วงหนึ่งของจิตกับห่วงหนึ่งแห่งความคิด มันแบ่งกันตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนนี้ต้องเป็นมานตลอดหรือว่าเป็นพระตลอดจริงๆมันพระเกิดที่ใจของคนทั้งนั้นเลยถ้าเราเกิดกุศลมีเมตตา ใจนั้นก็เป็นเป็นพระพออากูศสนเกิดใจขาดเมตตามันก็เกิดมานขึ้นมาขั้นแรกโยมรู้ไม่มันมันทำลายใครก่อน มันจะทำลายใจของตัวเองก่อนให้เกิดความเจ็บโกรธสร้างความเกลียดขึ้นมาสร้างความชังขึ้นมาสร้างความทุกข์ขึ้นมานี่คือจิตมานดังนั้นเลยแต่มาบอกเออเรารู้แล้ว มันจะบีบคัน้นจิตคนนั้นก่อนแล้วก็พยายามปรุงแต่งเพื่อให้มีชาติพบภูมิเนี่ยยึดมั่นไว้ มันก็ทำสะพานให้เดินให้เกิดความยึดมั่นไว้ให้เกิดความยึดมั่ น, เ, นเป็นสะพานว่าเราเจ็บอย่างไงปวดอย่างไงเสียใจอย่างไงทุกอย่างจะมีความพยาบาท เป็นเชื้อเพลิงไว้ความเจ็บความปวดทุกอย่างมันจะสร้างสะพานให้เป็นมารเพราะอะไรโยมรู้ไหมเพราะใจตอนนั้นมันมีแต่ความเจ็บความเสียใจความโศกเศร้าความคับแค้นความน้อยเนื้อต่ําใจทุกอย่างมารมัน ทำให้เกิดตรงนี้แล้วสุดท้ายเราก็ยอมรับความแค้นตรงนั้นขึ้นมาความพยาบาทขนาดบอกว่าแม้แต่แรกชีวิตตัวเองแลกกับอะไรก็ยอม เพื่อให้เป็นสะพานไปสร้างพบที่มันเกิดอาุศละก ร, รมบาปขึ้นมาอบ อ, อ, อบางคนก็ถูกความโลภพาไปบางคนก็ถูกความโกรธพาไปบางคนก็ถูกความหลงพาไปก็ ในที่สุดทรัพย์สินทั้งหลายที่มีมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ความสุขมันคือแค่ที่อยู่ในชาติภูมิด้นนั่นเอง เพื่อสนองกิเลสตัณหาสนองความพยายามบาดอาฆาตถ้าจิตเกิดแบบนี้แหละก็ว่าใจเป็นบาดเราอาหสีไม่ได้เลยไฟมันลุกโฉดช่วงขึ้นมาเนยมันไม่ถูก บอกเอาน้ำดับไฟเอาใจดับใจเอาใจดีดับใจร้ายเอากุศลดับอกุศลโยมลองใช้วิธีนี้ดูนะได้ผลนะเอาน้ำดับไฟเอาใจดับใจตัวเอง มนุษย์กำลังหลงว่าอายุเรามีมากบางคนจริงๆเรามีเวลาน้อยทำไมต้องเสียเวลาอีกธรรมามันนั่งประมลอยู่หลายวันที่ผ่านมาบอกถึงไม่สุขแต่ก็อยาให้เกิดทุกข์ เ อ, อคำนี้ใช้ได้บางวันโยมรู้สึกไม่มีความสุขนะออถึงใจเราไม่มีความสุขแต่ใช่ใจเราต้องมีความทุกข์กับมันด้วยบอกเออคำนี้มีเหตุผลโยมลองกำหนดดูนะบางคนอยู่มันก็ไม่มีความสุข ใช่เราอยู่เหมือนไม่มีความสุขแต่ใจเราก็ใช่จะมีความทุกข์ก็มอเ อ, อคนนี้ใช้ได้ใช่ได้อย่างน้อยก็มีธรรมะที่อยู่ในใจบ้างไม่มากก็ น, น้อย เราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ใจเราไปตกนรกไม่จำเป็นก็เวลาเหลือน้อยธรรมาบอกใครอยากจะเป็นเสียนก็รีบบำเพ็ญตบะสร้างความดีงามเสีย ใครอยากเป็นเทพประมุติเทพธิดาก็สร้างบา ร, รมีเสียเพราะว่าเวลาที่เหลืออยู่ไม่ใช่เพื่อแก้แก้นะเพื่ออโหสิและกับสร้างกุศลใหม่อเอออดีตมัน ไม่คืนกลับมาแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ก็คือปัจจุบันกลัมาประมวลนะว่า อ, อะไรคือสิ่งมีค่าที่สุดมนุษย์เราที่เกิดมาแล้วมาต้องการแสวงหาแย่งชิง หรือเสียชละก็แล้วแต่จะมาก็นั่งประมวลดูบอกเออที่สุดร่างกายก็ต้องการแค่อาหารเหน็บหนาวต้องการผ้าหม่มร้อนถูกฝนก็ต้องการใช้ขา เก็บป่วยไข้ก็ต้องการอยู่ยานี่คือสิ่งที่ร่างกายต้องการมันเป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องมีสิ่งนี้เพื่อบำบัดบรรเทาทุกข์เออแล้ว อยากได้อะไรอีกจะมาบอกสิ่งมากกว่านี้ไม่ใช่ปัจจัยแท้จริงชีวิตมันเป็นเรื่องเสริมเติมแต่งเป็นเรื่องเสริมเติมแต่มนุษย์ก็เติมก็ไปเสริมก็ไปแต่งเข้าไปก็ก็ไม่ผิดแต่ว่า มันมีสาระหรือไม่มีสาระแค่ไหนก็ต้องกำหนดดูต้องกำหนดพิจารณาดูไปแต่มาก็มาประมวลดูว่าที่สุดทำไมมนุษย์ต้องโยกอาดีต ทำไมติดอยู่กับปัจจุบันทำไมหลงอยู่กับอนาคตยมฟังใหม่มนุษย์ทำไมต้องยึดกับอดีตติดอยู่กับปัจจุบันหลงอยู่กับอนาคตจริงๆมันไม่ใช่ ต้องนั่งกำหนดดูใหม่อะไรที่มันมีค่าสูงสุดตามาบอกคนที่ได้สร้างบา ร, รมีคือคนที่ฉลาดที่สุดเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดมนุษย์ตอนมีชีวิตยอยู่ธรรมามไม่เห็นอะไรมากกว่า การได้สร้างกุศลจริงๆจะสร้างวิธีไหนจะเป็นหมอรักษาโรคไม่คิดเงินก็แล้วแต่หรือมีทรัพย์สินเงินทองบริจาคให้ทานต่อผู้ยากไร้ หรือสงเคราะห์ู้ดโอกาสอะไรก็ได้ที่เป็นกุศลเป็นกรรมดีจะมาบอกเออมันมีค่าก็ตรงนี้เองเนาะเพราะว่าร่างกายมันก็ได้แค่ที่เล่าให้ฟังที่บอกให้รู้ แต่จิตใจเนี่ยที่เป็นชีวิตจริงๆเนี่ยมันต้องการความสุขมนุษย์ยังไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรด้วยซ้ำไปถ้าเป็นความสุขของโลกีก็บอกแล้วที่เราเต้นกันที่เราดื่มอาบกินพอผ่านไปไม่กี่ปีวัยเราหมดไปสิ่งเหล่านั้นมันก็ มันไม่มีสาระเอาทุกคนลองย้อนดูว่ามันมีไหมไ่ะผ่านมาแล้วเราเอาใจเราเนี่ยพิสูจน์ได้เลยว่ามันไม่มีสาระแต่โยมลองนึกจิตที่เราทำกรรมชั่วทำบาปอะไรไว้ยิ่งเป็นบาปที่เรา รู้สึกว่าเราผิดมากๆมันยังฝังอยู่น ะ, มะเมล็ดพันธ์มันฝังอยู่มันรอที่จะแตกกิ่งก้านอยู่ในไม่ช้าและโยมก็ลบมันออกไปไม่ได้ด้วยเพราะนั่นมันคือ สิ่งที่เราทำเอาไว้กิจที่เป็นมานตรงนั้นมันเป็นมิตรโยมไหมมันช่วยเหลือไหมมันเกื้อกูลไหมพอผ่านไหมลองนึกดูตอนปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนั้นมันมันถูกมันมีเหตุมีผลพอทุกอย่างแต่พอทำลงไป ใจมันแยกแค่บุญบาปกับดีชั่วมันไม่ได้อ้างเหตุผลมากมายอะไรหรบุญบาปดีชั่วจิตมันรู้อยู่ตรงนั้นเรากำหนดได้ตรงนั้นพอกำหนดลงไปไม่ใช่มิตรแน่นอน มันเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเรานั้นไม่สว่างแล้วก็สุดท้ายจะจมอยู่กับความมืดและความทุกข์ในที่สุดและไม่รู้ว่าจิตดวงนี้มันจะดับเมื่อไหร่ ตอบไม่ได้ว่าบาปนี้จะสิ้นสุดยุติลงเมื่อไหร่ตรงกันข้ามกับที่เราได้สร้างกรรมดีไว้แต่มาบอกเออมาประมวลดูเขาเป็นมิตรกับเราเขาทำให้ใจเราก้าเปิดเผย กล้าที่จะยิ้มออกมาหรือมันเป็นแสงสว่างยมกำหนดดูก็รู้ไม่ต้องให้คนอื่นเขาบอกแต่มาประมวลดูบังเ อ, อิญที่สุดมนุษย์ใช้ไปใช้มาเหลือแค่คำว่าจิตดีกับจิต ชัอ่อเทนั้นเองเะนั้นโยมจะเป็นมารหรือเป็นพระไม่ใช่คำพูดแต่มันคือการกระทำทั้งหมดที่เราได้ทำคิดพูดไว้ออตบามบอกรู้แล้วรู้แล้วว่าเวลาที่มีไม่เยอะ โยมจะแก้ตัวจะแก้ไขก็อยู่ที่โยมจะสร้างกรรมแบบที่เคยทำมาหรือจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราสร้างกรรมใหม่โยมคิดหรือ ว, ว่าศัตรูนี้ฆ่าได้หมด เป็นไปไม่ได้คนที่ขัดใจเราเราต้องฆ่าหมดทุกคนเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เราผิดหวังเราต้องเสียใจทุกครั้งตัอมาบอกไม่ใช่คนนี้ไม่เข้าใจสัจจะชีวิตต้องเกิดอีงหลายชาติ ต้องศึกษาธรรมะอีกเยอะเลยเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้จักปล่อยวางคุณไม่มีมิตรแม้แต่ใจคุณเองก็ยังเป็นศัตรูกับใจคุณเองที่บอกเวรกรรมเวรกรรมบาปกรรมบาปกรรับมันเกิดที่ใจเราจึงบอกเออ คนไม่มีบารมีคนไม่สร้างบุญกุศลคนไม่อบรมตนเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร เพื่อสร้างโทษสร้างเวรสร้างภัยนะพระเทวทัตยังรับกรรมอยู่ตอนนี้เพราะเขาเป็นศัตรูกับใจเขาเองที่เขาไม่เลือกกุศลจิตแต่เขาเลือกอกุศลจิต ไม่มีใครได้อะไรไปเลยสุดท้ายมีคำว่าดีกับชั่วมารกับพระเท่านั้นใครละได้ก่อนคนนั้นก็ถึงฝั่งก่อนพวกเรานี้คือคนกำลังไหวกันอยู่ในวัตฏะทุกข์วัตฏะสงสาร เมื่อเช้าก็เพิ่งพูดนะบอกสารละจริงๆของเราก็คือการสร้างกุศลอะไรก็ได้ยมทำเถอะจะไหวพระสวดมนต์นั่งกรรมฐ า, าน ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ระลึกถึงกตัญญูต่อผู้มีคุณมีบิดามารดาใครก็ได้บอกเออหน้าใสใจซสื้อมือสะอาดยึดถือคุณธรรมตอกย้ำกตัญญูเนี่ย ไม่ตกดำ่ำแต่ถ้าหน้าถ้าบอกปากปราศัยใจเชื่อเฉยหน้าเนื้อใจเสือหวังแต่เอาหวังแต่ได้คิดแต่ช น, นะคิดแต่จะเป็นใหญ่คิดแต่จะต้องเป็นหนึ่ง สุดท้ายเขาไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ครอบครัวของเขาเองเขาก็จะไม่ได้แม้แต่ใจของเขาเองเขาก็ไม่ได้วันหนึ่งเขาจะรู้ว่าเขาทําผิดให้กับจิตตัวเองพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีแต่ความมืด ความน่ากลัวเนี่ยก็จะคุกคามจิตเขาเขาไม่มีมิตรไม่มีมิตรแม้ใจตัวเองก็ไม่มีแสงสว่างไม่มีภูมิป้องกันไม่มีอะไรรักษาเขาเลยเพราะอะไรยอมรู้ไหมเพราะ ใจเขาหอด้วยไฟแห่งความทุกข์ทั้งหมดไฟแห่งความทุกข์ในหไม่ใช่ไฟที่เผาผลาญโยมสังเกตไหมเวลาใจร้อนแลเป็นทุกข์นั่นแหละไฟแห่งความทุกข์เมื่อไรจะดับ จิตผู้ปฏิบัติกำหนดอะอย่างตรงนะ้แตมาบอกเออเรายิ่งภาวนาไปเรื่อ ย, เ ร, อยเราเริ่มเข้าใจทำไมใจเราต้องรู้ ทำไมจิตเราต้องเห็นทำไมสติต้องระลึกทั้งหมดก็เพื่อปัญญาทั้งหมดก็เพื่อปัญญาบำเพ็ญขั้นสูงสุดก็คือปัญญาวิมุติ ับเจโตวิปุททั้งหมดก็เพื่อปัญญานำพาภูมิพบที่เรามีอยนูะ่ให้เห็นทางมรรคขา บางคนยังไม่รู้เลยโลกพมคาหรือทางแห่งมรคคาไม่รู้ยังสุดโตงกันอยู่บางคนยังเมาหัดทิ่มกันอยู่นะบางคนก็ยังมีโทสะมากบางคนก็ยังทำลายกันอยู่ให้ร้ายกันอยู่ บางคนยังจับสาตราถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเราเคยดูก็บอกปีศาจปีศาจบอกเข็นข้าผู้คนสูบเลือดสูบเนื้อยอมรูป้ปอาทุาวันนี้ปีศาจอยู่ในคาบของคนเยอะกินเลือดกินเนื้อสูบเลือดสูบเนื้อ เค็นค่าประชาชนยมดูใจยมเป็นไหมไฟขอใจที่เป็นทุกข์เนี่ยมัน มันไม่ใช่ทางที่ยมจะเดินไปอีกใครที่อยู่ตรงนี้หยุดหยุดอย่าเดินต่อเมื่อก่อนธรรมาก็เคยเอาใจเนี้ห่อไฟด้วยทุกข์ไว้แต่โชคดีที่รู้ว่าเรา ทางนี้ไม่ใช่ที่เราจะเดินไปไม่ใช่ยมจะมาอ้างอะไรมันก็ไม่ใช่ยิ่งเดินไปเขาเรียกว่าถลำลึกลึกจนเขาว่าถอนตัวไม่ขึ้นก็คือใจเราจะไม่มีความสุขอีกเลยแล้วก็นอนหลับฝันร้าย ตื่นก็เป็นทุกข์หลับก็เป็นทุกข์สนุกตรงไหนถูกกินดีอยู่ดีโย้เมื่อใจมันไม่สงบเมื่อใจมันไม่อิสระเมื่อใจมันมีแต่ศัตรูทั้งหมด สุดท้ายเราบอกมิตรไม่มีแล้วโยมจะเป็นคนบ้านในที่สุดไม่มีมิตรแล้วเริ่มตั้งแต่พี่น้องพ่อแม่โยมก็ว่าไม่มีไม่ใช่มันไม่ใช่ละ เพื่อนฝูงยมก็ว่าเป็นศัตรูคนที่เราไม่รู้จักเราก็มองก็ว่าเป็นคนเลวไปหมดแล้วงั้นตายใช่คนประเภทนี้ใหญ่ยอยู่เลยให้มันตายเส่นเดียวนี้แหละพูดจริงไม่ได้พูดเล่นให้มันตายเช่นเดียวนี้ จะได้หยุดก่อเวรสร้างบาปกรรมทุกมันจะได้ลดลงทำไมไม่โปรโดบอกย่างคิดว่ายังไม่ถึงเวลาจะปรหุดอยากให้สัตว์เหล่านั้นไปรับ มีบากผลกรรมในทุกติภูมิเสีก่อนวันนี้โยมเจ็บให้อภัยได้ไหมเจ็บที่ให้อภัยได้แต่มาบอกคนนี้ฝึกถือว่าใช้ได้แล้วโยมต้องฝึกว่าเจ็บแล้วให้อภัยได้ โกโรธก็เอาโหสีได้ทับแขนใจก็ทำให้มันส ง, งบลงได้นะนั่นแหละมนุษย์อยู่ตรงนั้นมนุษย์ไม่ใช่เกิดมาห้ามหันมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างสรรค์คุณดีงามบารมีที่เราต้องสร้างไว้ ตะมาก็เพิ่งบอกว่าเช้าตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกในสัจธรรมชีวิตนะเรารู้สึกเลยว่าค่าของเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่สร้างความดีไม่สร้างบุญกุศลไม่คิดช่วยเหลือผู้คน ไม่เผื่อแผ่ผู้อื่นเราก็ไม่ต่างจากสัตว์ที่ไม่มีธรรมทั้งหลายทุกคนอยากจะเกิดดีอยู่ภูมิที่ดีอยากได้สิ่งที่เลิศ แต่เหตุที่เราจะทำให้มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือสร้างกุศลแห่งกรรมดีสร้างกุศลแห่งกรรมดีก่อนไออยากมันก็อยากหมดทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าความอยากมันคือความสำเร็จมันต้องทำด้วยทำสิ่งนั้นก่อน ฝังมเมล็ดพันธุ์ก่อนแล้วจะได้ดอกออกผลได้ก็รู้สึกว่าเอออะไรที่เป็นความดีที่เราทำมาแล้วนั่นคือโชคลาภวาสนาเรื่องจริงนะออก็เลยคิดเมื่อเช้านั่งมาพิจารณา ือคนสร้างบา ร, รมีบางคนเขาก็เป็นหมอไม่เรียกร้องเงินทองมากมายช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บป่วยไข้มองชีวิตคนเพื่อสร้างกุศลไม่ใช่เพื่อสร้างฐานะเงินทองแต่ยุคนี้จะมีสักกี่คนเท่านั้นเอง ถ้าถือวัตถุเป็นใหญ่เงินทองก็คือสิ่งต้องเรียกร้องต่อไปแต่ถ้าถือคุณธรรมกุศลเป็นใหญ่เราก็ต้องเอาเรื่องจิตเมตตาเพื่อแพ่เป็นใหญ่ฉะนั้นจุดนี้จิตโยมเป็นผู้เลือก ยมต้องการอะไรจะเอาโลกแห่งวัตถุฐานะเงินทองเข้าของชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจหรือจะเอาหน้าใสใจซื่อมือสะอาดถือคุณธรรมตอกย้ำกระดันอยู่บังคับไม่ได้ บังคับลูกต้องกระตันอยู่พ่อแม่ลูกสามคนบังคับมันไม่ได้หรอกเลี้ยงได้แค่กายแต่บังคับใจเขาไม่ได้จะชั่วยจะดีอยู่ที่จิตสำนึกเขาสอนแบบเดียวกันออกจากสำนักเดียวกันโตที่เดียวกัน คนเลวก็อยู่ตรงนั้นคนดีก็อยู่ตรงนั้นคนชั่วก็อยู่ตรงนั้นคนดีก็อยู่ตรงนั้นจะบอกเออเมื่อไหร่รู้ว่าใจมารเป็นอย่างไงเมื่อไหร่รู้ว่าใจพระเกิดอย่างไงเนี่ยนั่นแหละคือสติที่แท้จริงที่กำหนดมาตลอดเนี่ยสติกำหนดอะไร ใจพระใจมารใจวางใจยึดใจวุ่นใจสงบใจละหรือใจว่างสติตรงเนี้ยทำหน้าที่สำคัญอยู่ตรงเนี้ยดันั้นบางทีเราพูดสติไปไกลมากไกลจนรู้สึกมันโอ้โห มันมันเกินความสามารถของมนุษย์หรือพูดจะโอ้โหธรรมะเป็นสิ่งที่สูงจนมักผลห้ามพูดนะต่มมาบอกผูเขาจะพูดว่าสูงแค่ไหนก็ไม่ได้สูงกว่ายอดหญ้าต้นเล็กๆ เ, เองใช่ไหม พวกเขาจะสูงแค่ไหนจะสร้างมายังงไนก็นตามมันก็คือมาจากมเมล็ดทรายเท่านั้นเองที่ทับถมกันกี่ปีกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่หมื่นว่ากันไปบอาเออทำไมเราต้องพูดคุยธรรมให้เป็นเรื่องยาก ทมัยไม่พูดคุณธรรมเป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นเรื่องยากเลยธรรมะไม่ได้สอนคุณธรรมเป็นเรื่องที่มันไกลตัวหรือมันยากต้องมานั่งท่องไม่ใช่เอาแค่หน้าใสใจซื่อมือสะอาดถือคุณธรรมตอกย้ากระันยูนี่แหละพอแล้ว ถ้าถือแค่นี้ก็ชั่วไม่ได้แล้วล่ะบอกเออธรรมะไม่ได้แบ่งว่างโง่หรือฉลาดประชาดบันดิตธรรมะไม่ได้พูดว่าท่องจำหรือฟังมาอะไรก็ได้รึงบอกเออ กำหนดให้ดีจิตของเรานั่นแหละภายในจิตเรานั่นแหละตั้งสติพอเราดูจิตเราโยมเห็นไหมว่ามันเปิดเผยหรือว่ามันปิดบังมันสว่างหรือมันมืด โยมจะเอาหน้าไหนแสดงออกมาในความกล้าและความกลัวมันมีอยู่ในใจของเราในความชั่วความดีมีอยู่ในตัวของเราโยมจะเอาหน้าไหนแสดงออกมาหน้าไหนผู้ซื่อสัตย์หรือผู้ที่ชุดจริต ทำไมเกิดปาวุจินเกินมาพงสวดานเกิดขึ้นมามีหวังเ้ามาขั้นจเจ้าเนี่ยมีคุณซื้อขึ้นมาทำไมคนเหล่านั้นยิงไปรวมกันที่ศาลไทยฟงทำไมมีผู้ไปรองทุก ถึงท่านเป่ายอมเม อ, เอ้ยนั่นแหละมีคนหนึ่งแสดงความเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ออกมาปรากฏในพื้นแผ่นดิน ให้คนได้รู้และตั้งอยู่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่ใช่เกิดที่ร่างกายเกิดที่จิตดวงเดียวเท่านั้นเพราะเขาไม่ได้ถือวัตถุเป็นใหญ่เขาถือคุณธรรมเป็นใหญ่เขาไม่ถือพวกพ้องเป็นใหญ่เขาถือ เหตุและผลแห่งความถูกผิดและแยกชั่วดีออกเขไม่ยมบอกเออสุดท้ายเขาก็ใช้ใจที่เป็นธรรมตัดสินแล้วก็เอาเหตุผลที่แท้จริง ไม่ใช่จอมปลอมนะไม่ใช่ไม่ใช่แกะดำหรือว่าผู้มารับไม่ใช่สาวให้ถึงที่สุดก่อนเออมีคนกล้าที่จะเป็นเทพเจ้าแห่งความเป็นธรรม เขาจะยืยนอยู่ยังไงในมรสุมที่มีอายุติธรรมล้อมรอบเป็นกรอบในตัวเขาเขาก็ต้องมีคนคุ้มครองเห็นม่ป้องกันก็ต้องมีผู้ดูแลคุ้มครองป้องกันถึงบอกว่าเออใจเราถ้าไม่อดทนไม่เข้มแข็ง เราก็แพ้ในที่สุดถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายโยมใจะใช้หน้าไหนแสดงออกมาก่อนตายหลังจากนี้ที่ฟังไว้ถ้าคิดว่าโยมยังแสดงความเป็นมานในใจแต่บอกหน้าเป็นเทพ เราหลอกตัวเองเราก็หกคนอื่นแต่ความจริงรู้อยู่เป็นได้ไหมเป็นไม่ได้เราคิดว่าหลับฝันดีไหมคนที่หลับฝันดีเพราะใจนั้นดียมจำคำนี้ไว้ มันจะไม่เปลี่ยนคนที่ฝันร้ายเพราะทำสิ่งเลวร้ายมายมจะตกใจนะบอกเอ๊ะฉันไม่ได้ทำอะไรเราพูดตอนไหนตอนนี้ใช่เมื่อวานวันก่อนปีก่อนสิบปี ยี่สิบปีหรือชาติก่อนเรื่องที่เราไม่รู้มีอีกเยอะสิ่งที่กำลังตามมาทั้งทั้งที่เราบอกเราไม่ได้ทำตอนนี้ไม่ได้ทำแต่ตอนนั้นเราทา้าทายว่ามันไม่มี เราจะรู้สึกว่าหลายคนบอกมันไม่ยุติธรรมจริงๆมันยุติธรรมแล้วในชาตินี้เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อปีก่อนสิบปีก่อนหรือชาติก่อนๆเราสร้างอะไรไว้ให้สำเนียกไว้ตรงนี้อาจจะมาเริ่มกลัวแล้วตรงนี้ ไม่ได้กลัวชาตินี้ที่จะทำเร็วแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำไม่ทั้งหมดไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วมันกำลังมาใจขุ่นมันก็เป็นบาปใจหยาบมันก็เป็นบาป ใจทุกมันก็เป็นนรุพอใจสุกกระโผลมันก็วุ่นวายยอมไปกำหนดดูเนละ้วทั้งหมดมาจากจิตทั้งหมดไม่ใช่คำพูดพูดทีหลังจิตเนี่ยมันรับรู้ก่อนแล้วพอเรายิ่งเข้าใจแนละ้วก็ เรารู้สึกว่ามันเหมือนคนกระหายเดินทางมาไกลกระหายน้ำเราเหมือนคนกระหายความดีมกันเพื่ออะไรโยมชดเชยหรือลบร้างหรือหรือไม่อยากตกเป็นในทุกขติมันมีสามความรู้สึก ชดเชยลบล้างหรือต้องการสร้างบารมีบางครั้งมันก็ใช่ข้อนี้บางทีก็ใช่ข้อนั้นบางโอกาสก็ใช่ข้อนี้สรุปว่ามุ่งหน้าเพื่อทำกุศลไปเรื่อยๆ ไอ้กินก็กินไปไอ้ถ่ายก็ถ่ายไปยบธรรมดาแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตจะหลับจะตื่นจะนอนเมื่อไหร่มันก็เป็นเรื่องของวันต่อวันแต่ชีวิตต่อชีวิตอย่ามีเวรกับใครอีกอย่ามีเวรกับใครอย่ามีบาปกับใครอย่ามี บาปอะไรขึ้นมาใหม่อีกนี่คือหนทางเดียวเท่า น, นั้นที่เราจะยุติจิตเราจะไม่สร้างศัตรูให้มีแต่มิตรภาพแล้วก็ต่อไปน่าใสนะใจซื่อมือสะอาดถือคุณธรรมตอกย้มกระตันอยู่ชัดเลยละ่ะ คนหน้ายังไม่ใสเลยทาครีมก็แล้วแป้งก็แล้วไม่ใสใจก็ไม่ซื้อคดคยังไงไม่รู้นี่กอลไส้ใสใช่มือก็ยังไม่สะอาดไม่รู้อะไรสกรปรกติดมาบางทีติดเลือดทาไมด้วยล้างยังไม่หมดเลยพุทธองค์ช่วยด้วย กุทธองค์เมตตายอยู่แล้วพระองค์บอกอาภัยให้ได้ก็อาภัยเธอขอให้คนนี้สำนึกเท่านั้นถ้าเขาสำนึกจิตเขาก็ไม่เป็นมานและข้าเขาช่วยเขาทำความดีไม่ดีกว่าหรือนี่คือการสร้างบา ร, รมีขั้นสูงนะ จากจะลงดาบเปลี่ยนเป็นให้ชีวิตและให้คนเนี้ไปทํากรรมใหม่แต่เราต้องรู้จริงนะว่าเขาไม่หลอกตรงนี้ตอบไม่ได้ว่าโยมปล่อยเสือเข้าป่าหรือว่าสร้างพระขึ้นมาใหม่ ทำมาให้เป็นพระหรือโยมปล่อยเสือเข้าป่าทำมาตอบไม่ได้แต่ที่รู้การสร้างกุศลโดยเฉพาะช่วยคนได้เนะี่ยโอ้สุดยอดเลยที่เขาว่าการช่วยชีวิตดีกว่าสร้างเจดีเจ็ดชั้นเนะี่ยที่เขาว่าก็ต้องดูว่าช่วยใครด้วย เห็นไหมทยมเคยดูเรื่องสามก๊กใช็ไหมโจโฉตอนนั้นจะถูกประหารอยู่แล้วก็มีนามเพอคนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสช่วยสุดท้ายเห็นโจโฉเหี้ยมโหดฆ่าแม่แต่ญาติตัวเองด้วยความระแวงฆ่าญาติที่ไปอาศัยเขาเขาต้อนรับขับสู้อย่างดี ได้ฟังไม่กี่คำว่าเชือดเชือดเชือดจริงๆเขาจะเชือดหมูเลี้ยงโจโจฆ่าหมดเลยคนที่ช่วยรู้สึกผิดหวังว่าเฮียมโหมดเกินไปค่าคนไม่มีอาวุธฆ่าคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาฆ่าญาติตัวเองทั้งที่กำลังจัดเลี้ยงดูความบาดระแวง คำแรกเขาให้อภัยบอกเออหวั่นระแวงแต่สุดท้ายค่าคนอื่นอีกที่ไม่เห็นเหตุการณ์เขาบอกเพื่อปิดปากคนที่ช่วยนั้นหมดศรัทธาใคาเรเลื่อมใสเหมือนปีศาจทำไมตัวเองใหญ่นักหรือต้องเอาชีวิตหลายชีวิตมาแลก มันไม่ใช่ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนายหรือบ่าวก็มีค่าเท่ากันแต่ใครเป็นผู้เสียสละกว่ากันเท่านั้นเองหรือใครเป็นคนเห็นแก่ตัวมากกว่ากันสุดท้ายเขาก็หนีออกจากโจโฉไปเห็นไหม นั่งจะตายเหมือนกันนะเออ่วองก็ไปนอนไม่มานั่งตกไปฟ้าดวัวคนตายเดยอ อเออให้ดูไวโยมนะถ้าเราไม่กำหนดจริงๆนะตายจากนั้นถึงเวลาแล้วการปฏิบัติภาวนานะาบอกธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัว อย่าไปพูดนะมันยาวจนเรารู้สึกว่าโอ้เราคงหมดบุญแล้วดูจิตเรานี่ยแหละดูจิตเรากำหนดให้ดีกำหนดให้ดีพอเรากำหนดได้ พอถึงสุดจุดหนึ่งโยมจะรู้สึกมันเหมือนเราอยากหลุดพ้นมากกว่าที่อยากจะมีชีวิตอยู่แบบที่เคยอยู่มาแต่มาไม่สงสัยนะจิตของผู้ที่ออกหรือบรรลุโพท่านข้ามพ้นปุ๊บนะ ท่านจะไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมามีนิสัยอย่างที่พวกเรามีอยู่ไม่กลับมาเลยแต่ว่าใครสักกี่คนที่จะข้ามพ้นได้มันอยู่ที่โยมแล้ว ถึงบอกเออยมให้รู้ใจมารใจพระก่อนยมดูใจตัวเองเหตุผลอะไรก็ตามที่ยังทำลายกันอยู่มันก็ยังเป็นมารแก้แค้นเป็นมารไหมเป็นผูกพยาบาทเป็นมารไหมเป็น เป็นหมดแม้ความทุกข์ก็เป็นมารมานอีกความหมายนึ่งคือสิ่งที่ขวางกัน้นในความดีงามที่เราจะเข้าถึงมรรคผลได้อะไรก็ตามแม้แต่รสอาหารก็เป็นมารได้ แม้ได้กลิ่นหอมก็ยังเป็นมารได้โยมอยากเข้าใจว่ามารต้อง mm hmm. ตัวใหญ่ตาโตมีเขี้ยวถือมีดไม่ใช่อาจจะปากแดงก็ได้ตาเขียวก็ได้คิ้วดำก็ได้เป็นเมื่อไรใจเรา รุ่มหลงตรงนั้นมันมันก็เกิดได้ใจที่รุ่มหลงก็เป็นมารได้หมดเลยพุทธองค์เคยตรัสว่าทุกอย่างคือภาพหลวงตาลับตาก็เป็นมายา ลืมตาก็ยังเป็นภาพหลวงตาเหลือเชื่อจับได้ต้องได้ยังเป็นมายาจับไม่ได้ต้องไม่ได้เป็นนิมิตก็ยังเป็นมายาโยมเคยเห็นพยับแดดไหมเดินไปหรือนั่งรถมองไปไกลๆเนี่ยขึ้นไกลๆ มีรูปมีร่างอยู่กลางทนนความร้อนพยับแดดขึ้นพอเข้าไปใกล้จริงๆมันก็าหายไปจับต้องไม่ได้มันไม่เช้าก็บอกนั่งรถมาเออดูท้องฟ้าเมฆเนี่ยมองไกลๆผ่านภูเขาเหมือนทะเลเนาะ อมองไปานานๆภาพนั้นก็ไม่เหมือนที่มองตอนแรกมันก็อันดัลลาทานไปเนี่ยลืมตาเห็นอยู่ใช่ก็ยังไม่ใช่หลับตาเห็นอยู่มันก็ใช่ก็คือไม่ใช่เหมือนกันหมด สุดท้ยยายยมจะยึดคำว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มาบอกที่สุดทั้งใช่และไม่ใช่ทั้งไม่ใช่และก็ใช่แค่เราเข้าไปรู้และทำจิตให้ว่างเปล่าและทุกอย่างก็จะดับ ไปตามเหตุเกิดไปตามเหตุพระเจ้าจึงบอกว่าแสดงเรื่องเหตุแห่งความเกิดและความดับมันเป็นหลักสัจธรรมจริงๆดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆในร้อยปีผ่านมาสงครามโลกก็เคยเกิดชีวิต ในร้อยปีก่อนนั้นล้วนแต่ตายเกือบหมดแล้วยอนกว่านั้นบางคนก็เดินไม่ไหวอยู่ในบ้านหมดถึงบอกอออดีตควรจำหรือควรลืมก็ต้องพิจารณาต้องใช้ปัญญา ปัจจุบันควรยึดควรละควรวางต้องใช้ปัญญาอนาคตควรทะเยอทยานหรือควรที่จะกำหนดรู้สิ่งที่มาไม่ถึงแล้วกาลังจะมาถึงพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยธรรมะ มันคืออนัตตายมเข้าใจแค่ไหนแค่นั้นเองธรรมะคืออนัตตามันแปลกธรรมะมันคืออนัตตาสัพเพสิ่งล้วนเกิดสัพเพสิ่งล้วนดับที่สุดมันก็เป็นเช่นนั้น ยึดก็ตามไม่ยึดก็ตามมันก็เป็นแบบนั้นใจต้องทุกข์กับสิ่งที่ต้องแตกดับมันอยู่ที่ใจเราจะบอกเออเข้าใจแล้วเข้าใจว่ายังไงใจไม่ควรทุกข์มีในความไม่มีไม่มีในความมีสุดท้ายแค่รู้ เคยมีและไม่มีและใจนั้นก็ไม่ควรมีสิ่งนั้นอีกมันเป็นเช่นนี้เองบอกถ้าโยมถึงจุดแห่งภาวนาแล้วโยมต้องรู้จักกรมอิสระ อิสระจะอยู่เหนือเมฆหมอกทั้งหลายที่ปกคลุมจิตใจของทุกคนอิสระแต่มานั่งดูตัวนี้มานานอิสระแปลว่าอะไรเสรีภาพเสรีภาพคืออะไรไม่อยู่ใต้ใครหรือหรืออยากทำอะไรก็ได้ หรืออยากคิดอะไรก็ใช่อิสระตอบอกไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอิสระจากทุกข์กังหะถ้ายังไม่หมดทุกข์จิตนี้ไม่มีคำว่าอิสระชีวิตนี้ไม่มีคำว่าอิสระยมจำไปเด้ออาตมานั่งดูอิสระคืออะไร หรืออยากจะพูดอะไรก็พูดอิจละไม่ใช่คิดอะไรก็ได้อิจระบอกไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างมันมีกรอบของมันมีกรอบบ้านเมืองมีกฎหมายพระสงฆ์มีวินัยทุกอย่างมันมีกรอบของมัน ในเมื่อมีกรอบก็จะมีอิสระได้อย่างไรนี่แหละคือเราต้องแก้มันให้ได้ว่าเราจะเปิดกุญแจยังไงตรงเนี้ยสุดท้ายเรามาก็นั่งดูอิสระไม่ใช่คือตามชอบใจอำเภอใจหรือความเพอ้อฝัน อิสระก็คือใจที่ไม่มีทุกข์แล้วต่างหากชีวิตที่หมดทุกข์แล้วนั่นแหละคืออิสระถ้าไม่เช่นนั้นไม่มีใครได้รับอิสระได้แค่มาเสรีภาพเท่านั้นเองมีความเสมอกันโดยการเป็นอยู่โดยอะไรก็แล้วแต่โยไมไปกำหนดดูใช่ไหม สมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิด